จะทราบได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอระหันต์ถามจะทราบหรือแน่ใจได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอระหันต์ครับย้ำนะครับพระอระหันต์ไม่ใช่อรหันอย่างที่คนไทยชอบพูดกันนะครับ พระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เพราะเลิกทำกิริยาวาจาเหมือนคนปกติจึงเป็นไปได้ที่คุณจะรู้สึกว่าพระอาหารหันต์ท่านก็แค่คนปกติคนหนึ่งพระอาหารหันต์ท่านไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่จึงเป็นไปได้ที่คุณจะรู้สึกว่าพระอาหารหันต์ท่านช่างอ่อนน้อมถ่อมตนราวกับไม่มีคุณวิเศษใดๆอยู่ในตัวพระอาหารหันต์ ท่านชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครนิยมแต่ความวิเวกและวิมุตติรสแห่งนิพพานอันหาง่ายในวัดหรือป่าจึงเป็นไปได้ที่คุณจะไม่เคยเห็นท่านหากไม่ไปถึงที่อยู่ของท่านคือวัดหรือป่าเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับถ้าคุณเดินไปตามสีแยกไฟแดง อย่า ก, กังวลว่าจะต้องพลาดพลั้งกระทบไหลพระอรหันต์ให้เกิดบาปเกิดกรรมพวกท่านไม่ปรากฏให้เห็นง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าหมั่นเข้าวัดชอบจระเวนไปทำบุญแบบไม่เลือกวัดอันนั้นมีสิทธิ์ครับเป็นไปได้ที่วันหนึ่งคุณอาจปะเหมาะเคราะดีได้พบพระอรหันต์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ในโลกเพราะวัดและป่าคือบ้านของพระอรหันต์ อย่างไรก็ตามในสมัยพุทธกาลมีประวัติมาแล้วว่าพระอาหารหันต์ชื่อปิลินทวัชชาท่านติดปากชอบเรียกใครต่อใครหยาบหยาบเคย์คร้อนถึงพระกันของพระพุทธองค์เมื่อชาวบ้านมาฟ้องว่าพระรูปเนี้ยพูดจาไม่สารวมไม่เหมาะแก่สมณะรูปพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องประกาศว่า พระรูปดังกล่าวหมดจากกิเลสแล้วแต่ยังละความเคยชินทางวาจาไม่ได้ท่านก็พูดแบบเดิมๆด้วยอำนาจความเคยชินโดยไม่มีจิตประทุษร้ายเยี่ยงผู้ยังมีโทสะเจืออยู่แต่ประการใดสรุปว่าถ้าคุณเจอพระอระหันต์คุณอาจเข้าใจผิดว่าท่านไม่ใช่เช่นเดียวกับที่ครั้งพุทธกาล เคยมีชาวเมืองเข้าใจผิดพระอรหันต์มาแล้วถ้าเช่นนั้นคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระอรหันต์อย่างเราๆท่านๆจะดูพระอรหันต์ด้วยตาเปล่าได้อย่างไรอันนี้พอมีหลักอยู่บ้างถ้าดูด้วยตาเปล่าเราไม่มีทางรู้แน่ๆว่าใครเป็นพระอรหันต์แต่เรารู้ได้แน่ๆว่าใครไม่ใช่พระอรหันต์ หลักดังกล่าวที่เปิดเผยโดยพระอระหันต์ผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านามว่าอนนท์ท่านกล่าวไว้ในครั้งหนึ่งว่าภิกษุใดเป็นพระอระหันต์ขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์มีภาระอันปลงลงแล้วถึงประโยชน์สูงสุดสำหรับตนแล้วสิ้นกิเลสอันเป็นตัวก่อพพแล้วภิกษุนั้นจะไม่มีประพฤติกรรมดังต่อไปนี้คือหนึ่ง ไม่อาจากแกล้งปรงชีวิตสัตว์ 2. ไม่อาจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนสมไม่อาจมีเพศสัมพันธ์สไม่อาจากล่าวเทศทั้งรู้ 5. ไม่อาจเป็นผู้สั่งสมเครื่องบันเทิงเริงรมเหมือนเมื่อครั้งก่อนบวชพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับพระอรหันต์ทั้งห้าข้อนี้ถ้าปรากฏในผู้ใด ก็นับว่าไม่ใช่พระอรหันต์เด็ดขาดเนื่องจากความเป็นอรหันต์นั้นเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีการกลับเสื่อมลงได้ดังเช่นที่พระอนนท์กล่าวเปรียบไว้ว่าเหมือนมือและเท้าของใครสักคนขาดไปเขาจะเดินอยู่ก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับแล้วก็ดีตื่นอยู่ก็ดีมือและเท้าก็เป็นอันขาดอยู่เสมอไม่อาจกลับงอกขึ้นใหม่ได้ ชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้เป็นอารหันแล้วย่อมไม่กลับมีกิเลสกำเริบขึ้นใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในอาการใดๆจนชั่วชีวิตส่วนถ้าคุณจะรู้จริงด้วยตนเองว่าใครเป็นพระอารหันก่อนอื่นคุณต้องเป็นพระอารหันไม่ใช่พระอารหันปลอบเปลา่าแต่ต้องรู้ว่าราจิตคนอื่นได้ด้วย เหมือนเช่นที่พระมาหากัสสปะซึ่งเป็นอรหันต์เอกองหนึ่งของโลกเคยกล่าวไว้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อสามารถพยากรณ์อรหัตผลของตนเองบอกได้จากจิตว่าชาสิ้นแล้วปรุงมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาทำเสร็จแล้วก็ไม่เป็นเรื่องแปลกที่จะเป็นผู้ทรงฌานและเป็นผู้ฉลาดในการกาหนดรู้จิตผู้อื่น เมื่อใดใครกล่าวอ้างว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอรหันตัวจริงท่านก็รู้แต่แรกว่าใช่หรือไม่ใช่แต่แทนการด่วนกล่าวให้โกรธเคืองกันท่านก็จะเมตตาไล่เลียงซักถามภิกษุนั้นด้วยอุบายประการต่างๆจนกว่าผู้เข้าใจผิดจะรู้สึกตัวว่าความสำคัญตนผิดนั้นเป็นโทษเป็นเหตุให้ไม่ปฏิบัติเพื่อความเจริญ กระทั่งถอนความเห็นผิดเสียได้เด็ดขาดจะได้ภาคเพียรเจริญสติให้ถูกทางกันต่อมักมีผู้สงสัยว่าพระอรหันต์ท่านสัมผัสว่าใครเป็นอรหันต์ด้วยกันแบบไหนอันนี้หากกล่าวเป็นขั้นๆตามสัมผัสอันเกิดจากกระแสจิตของปุถุชนและอริยบุคคลเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูงก็คงพออนุมานได้ดังนี้ 1. ปุตุชนผู้มีราคะและโทสะกล้าแข็งขนาดยอมผิดศีลได้ย่อมมองออกว่าใครมีราคะและโทสะกล้าแข็งขนาดยอมผิดศีลได้กับทั้งเป็นพานพอจะเหมา ว, ว่าคนทั้งโลกก็อาจผิดศีลได้เหมือนตนหากถูกเล้าใจมากพอ 2. อกัลยานชนผู้มีความดีงาม ย่อมมองออกว่าใครมีความดีงามแต่จะมองไม่ออกว่าใครบ้างที่ว่างจากความยึดมั่นว่ากายใจเป็นตัวตนสอริยบุคคลชั้นโสดาบันผู้สามารถสัมผัสนิพานเพราะว่างจากอาการยึดมั่นว่ากายใจเป็นตนย่อมมองออกว่าใครว่างจากอาการยึดมั่นว่ากายใจเป็นตน แต่ยังไม่อาจรู้ได้ว่าใครบ้างมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงแล้วเพราะตนเองยังมีราคะโทสะและโมหะได้เท่าเดิม 4. อริยบุคคลชั้นสกทาคามีผู้มีราคะโทสะและโมหะเบาบางลงแล้ว ย่อมมองออกว่าใครมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงแล้วแต่ยังไม่อาจรู้ได้ว่าใครบางที่สิ้นราคาและโทสะ 5. าอริยบุคคลชั้นอนาคามีผู้หมดความยินดีในกามคุณและมีใจอันว่างจากการถูกกระทบกระทั่งย่อมมองออกว่าใครละการมคุณได้แล้วและมีใจอันปลอดจากการกระทบกระทั่งแล้ว แต่ยังไม่อาจรู้ได้ว่าใครละความรู้สึกว่าเป็นตนได้เด็ดขาด 6. อริยบุคคลชั้นอรหันต์ผู้ทรงฌานมีความสามารถล่วงรู้ว่าระจิตคนอื่นได้แจ่มแจ้งแทงตลอดย่อมรู้ได้ว่าจิตอันรู้ตื่นเบิกบานถาวรเช่นตนเป็นอย่างไรกับมองลงมาเห็นระดับจิตที่ต่ำกว่าตน ได้ทะลุปรุปโปรง่งแยกแยะถูกว่าใครเป็นปุตุชนเป็นกัลยาณชนหรือเป็นอริยบุคคลชั้นไหนไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์นี่ถือเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนาพระอรหันต์ท่านมีประสบการณ์ทางจิตยอย่างไร ไม่มีใครในระดับจิตต่ำกว่าท่านจะไปล่วงรู้ได้เรารู้เพียงคำพูดว่าพวกท่านมีจิตที่พรากแล้วจากกายใจไม่ยึดแล้วว่ากายใจเป็นตัวตนจึงได้แต่อนุมานว่าพวกท่านมองตัวเองด้วยความรู้สึกประมาณเดียวกับที่คุณมองคนอื่นถ้านี่เป็นมุมมองที่แปลกประหลาดและยากจะจินตนาการก็แปลว่าเป็นเรื่องอจินไตย คือคุณไม่ควรคิดว่าเป็นอย่างไรเพียงด้วยการอาศัยประสบการณ์สามัญของตนเองครับ